พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1มกราคม2560มีชื่อเ oui. รื่องว่าจ้างลูกชายไปฟังธรรมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1มกราคม พ, พุทธศักราช2560 น่หลวงพ่อได้พูดว่าปี 2,560 นี่วันนี้พูดเต็มปากเต็มคำและแปลว่าเป็นปีใหม่พุทธศักราชอ่าเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันสากลแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ออกจากวัดไปประมาณสักหโมงเย็นมั้งอพอไปที่อุดรไปที่ยูนิดีทาว เมืองอุดรเขาจัดงานทำบุญขึ้นมาสวดมนต์ข้ามปีที่ศูนย์ยูนิเทาแล้วก็เป็นการถวายพระราชกุศลต่อรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเองจึงให้ความสำคัญให้ความสาคัญที่จะต้องไปในงานจุดนี้เพราะเกี่ยวกับเขาทำบุญเพื่อเป็นถวายเป็นการถวายพระราช พระราตุกุนลแต่พอไปถึงยังไม่ถึงทุ่มดีนฝนมันลงแล้วจะไเนแล้วก็ขึ้นไปพักเพื่อจะให้ฝนหยุดนะฝนก็ไม่หยุดนะพอลงมาโอ้เออก็รู้สึ ก, กว่าเห็นว่าเห็นพี่น้องประชาชนก็ใจสู้นะเอาถุงพะาะติกครอบหัวแล้วก็เพื่อไม่ให้ฝนตก ถูกตัวเองถูกบนศีรษะตนเองหลวงพ่อกับเปียกอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าภาพไม่ได้คิดว่าฝนจะตกใช่ไหมละ่ะไม่ได้มี เ, เต็นท์ว่ากับเต็นท์กับเป็นบางส่วนเท่าเองไม่ได้กางเต็นท์สำหรับผู้ที่จะมาฟังธรรมเทศนาแล้วว่าพระสวดมนต์ตรงที่พระสวดมนต์ก็มีแต่ผ้าธรรมดากั้นไว้เฉยไม่ได้เป็นผ้าเต็นท์นะโอ้เมื่อคืนนึกซีก็เปียกปอน จากนั้นก็เขาคนนีมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมแต่หลวงพ่อกดูดูแล้วมัน อ, อการสถานที่มันไม่เหมาะนะสถานที่ไอการไม่เหมาะแนละ้วการนี้ไม่เหมาะเนพะราะวันฝนตกใช่ไหมผู้ที่ฟังก็ไม่มีสมาธิในการฟัง เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่ได้ไม่ได้แสดงธรรมนานไม่ได้พูดยาวเมื่อคืนนี้ประมาณยี่สิบกวนาทีมากหลวงพ่อก็หาทางลงอีกเหมือนกันเพราะว่า พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมคนนั่งแบบเปียกปอนฮะแต่หลวงพ่อเออเอาต่อไปก็เมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบลงไปแล้วก็จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์สวดมนต์พร้อมกันอันนี้คือการสวดมนต์พร้อมกันคือตะแบ่งเสียงทุกคนก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งฮะถ้าเป็นการฟังธรรมเนี่ยอยู่ในความสงบเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้พูดยาวเมื่อคืนนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกัน จ, จะได้ที่ฝนตกถ้าฝนไม่ตกลูกหลานพี่น้องตุชายชนศรัทธาญาติโยมลูกคนหนุ่มๆทั้งหลายก็คงจะมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีแต่หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดว่าเมื่อก่อนที่จะถึงหก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนนี่ให้พวกเรานั่งสมาธิสักได้สาสิบนาทียี่สิบนาทีสิบนาทีก็สุดแท้แต่ แล้วก็นั่งไปถึงเที่ยงคืนเลยไปอีกสิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีเพื่อก่อนที่จะมาก่อนที่จะถึงปีใหม่พวกเราทบทวนปีเก่าว่าปีเก่าทําอะไรไปบ้างคิดอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างพูดอะไรไปบ้างอทบทวนแล้วก็ปีใหม่ตั้งต้นใหม่ข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างปีที่ผ่านมาที่สิ่งที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะทําแต่สิ่งดีเท่านั้นแล้วก็ ปีใหม่พุทธศักราช2560เพื่อเป็นสลิปเป็นมงคลสําหรับพวกเราพวกเราควรจะตั้งกิตอธิฐานนะลูกหลานนะถ้าหาว่าไม่มีการตั้งจิตอธิฐานไว้มันจะเลื่อนลอยเลือนลางถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเออปี60สิบนี่ข้าพเจ้าจะไหว้พระมเหตขาดก่อนนอนจึงจะมากหรือน้อยก็พยายามไหว้พระทุกวันมาให้ขาดอารหางังสวากาโตสุปฏิ ป, ปโน อ, อ, อย่างน้อย ไม่ได้จริงๆก็กราบพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วจึงค่อยนอนอันนี้คือพุทธศาสนากชนเราพยายามทําไปทีละน้อยละน้อยนเมื่อมีโอกาสเราก็พยายามไหว้พระสวดมนต์ให้มากขึ้นยาวขึ้นแต่วันไหนที่มันไม่ได้จริงๆเราก็กราบแต่พุทธโธธรรมโมสังโฆได้เพียงแค่นี้ก็นับว่าดีเราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ในชีวิตประจําวันของพวกเราเพราะนั้นตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้ละเป็นต้นไปขอให้พวกเราคณะท า, าญาทโยมทุกคนตั้งตนตั้งตั ว, ต, ต, วตั้งใจใหม่การกระทาสิ่งไหนก็ตามการทามาค้าขายก็ตามให้พยายามทาตัวใหม่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้มันดีขึ้นไม่ใช่ปรับปรุงให้ให้เล้วลงนะ ไม่ดีขึ้นสิ่งที่ไม่ที่มันผ่านมาแล้วนะเราดูดูแล้วมันไม่ไม่ดีขึ้นอ่าสิ่งไหนที่มันจะดีขึ้นเราจะพยายามทําจุดนั้นนะให้มันดีขึ้นในการทํามาหาเลี้ยงชีพของเราแล้วก็พร้อมกันให้รู้จักอดออมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างองค์อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าวที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพี่น้องประชาชน ข้านว่าอย่าให้มีนี่มีศีลพลุงพลังถ้าคนมีนี่มีศีลพลุงพลังแต่ใจไม่เป็นสมาธินะพอจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจว้าวุ่นผลที่สุดคือนะป่าสาจะเข้ามาเยี่ยมเยือนได้ไง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในรู้จักสถานะของตนเองแต่ไม่ใช่ให้งอมืองอเท้านะพอที่จะก้าวกระโดดต้องก้าวกระโดดเมื่อเราเห็นคลองนะ่ะ เราเห็นคลองนะ่ะเราจะไปเดินลงไปซะก่อนอยังค่อยขึ้นอย่างนั้นเหรอแต่พอมันกระโดดข้ามได้ก็กระโดดข้ามนะแต่ถ้ากระโดดข้ามไม่ได้แล้วจะไปกระโดดทาไมกระโดดออกไปก็ไปกระแทกตรงพี่ยิ่งปวดหนักอีกนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะการดํำรงชีวิตการดําเนินชีวิตของพวกเราเราก็ต้องมองดูว่าเราจะทํำยังไงจึงจะถูกต้องในจุดนั้ น, น, นไม่ใช่ว่า เห็นเขาทําก็ทําไปตามเขาผลที่ถูกกับตัวเองก็เจ้งระเนระนาดอย่างนั้นขอไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะอันนี้คือการดําเนินชีวิตไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกท่านทั้งหลายเองตัวของเราเองอันนี้ก็ขอให้มองตนเองให้รู้จักสถานะและก็พร้อมการทางด้านจิตใจก็เหมือนกันก็ให้พัฒนาจิตใจของเราอย่าไปหมกมุ่นกับการพ น, นันจนเกินไปกับ เล่ากับเบียร์กับอบายจมุกจนเกินไปเราก็พยายามถอนถอยตัวออกมาให้เป็นยึดเป็นคนดีพูดง่ายๆ่ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมถ้าเราอยู่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานอยู่ในสถานะไหนเราก็พยายามปรับปรุงให้เข้ากับพ่อกับแม่ใดกับพี่กับน้องใดกับสามีภรรยาได้ลดลาวาศอกนะ อย่าไปโกรธโมโหโกรธาโกรธก็เท่านั้นละมันได้อะไรนะ อ, อพอมันพอเขาจากไปเท่านั้นพอเขาเสียไปเท่านั้นนะร้องโห o m ร้องร้องไห้กับเขานะเ อ, อแต่พอมาอยู่ด้วยกันนะเป็นไม้เบื่อไม้เมาเหม็นขี้หน้ากันฮนะเแต่พอเขาจากไปเท่านั้นร้องไห้ตาปรือทั้งวีทั้งวัน อ, อมันมีไหมเคยเห็นมาแล้วหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วจึงมาพูดมากล่าบให้กับพวกลูกหลานได้ฟังได้คิดนะเพราะนั้นขอให้พวกเรา อยู่ด้วยกันอย quasi, i, you, cool, live uh, ู่ด้วยน้ําใจอยู่ด้วยเมตตาอยู่ในความหวังดีต่อกันพึ่งพาอาศัยกันถ้าพวกเราอยู่ใกล้ๆกันไม่พึ่งพาอาศัยกันเราจะพึ่งพาอาศัยใครเนีเราคิดดูซิเราจะไปไปพึ่งพาอาศัยคนภายนอกอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีทางเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยพ่อแม่อาศัยลูกอาศัยหลานอาศัยผู้ที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเราจะได้เรียกร้องหาเขาได้เพราะเห็นอะไรเพราะการอยู่ด้วยกัน ต้องมีน้ำใจใจต้องมีเมตตาต่อกันนะนะลูกหลานแต่พวกเราอยากจะให้ลูกหลานของเราดีเราก็ต้องหาวิธีการถ้าดุดาว่ากาวแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วก็พยายามพูดดีๆกับเขาเอาอย่างไงก็ไม่ได้ผลอย่างลูกชายของอนาถาเิติกเศรษฐีในกรงสาวัตถี ท่านก็ปวดหัวกับลูกชายของท่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงพ่อพูดให้การบริหารบริหารจัดการกับลูกของเราเราจะทํำยังไงนี่แหละลูกชายของอนาถาเบติกาเศรษฐีอนาถาเบติกาเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีหนุ่มนะอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะแต่นี้ท่านไปขายค้าขายอยู่ที่กรุงราชคือนะเป็นอีกเมืองหนึ่ง ท่านก็ไปเห็นพระพุทธเจา้าได้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นใหม่ๆนะท่านก็ไปเกิดเขาเกิดความรพนับถือเลื่อมใสจากนั้นกาประราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงสาวัตถีเขาก็เป็นผู้สร้างวัดถวายวัดป่าเชตะวันมหาวิหารแต่ทีนี้เขาก็มีครอบครัวเขาเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีคนหนึ่งนะไปกราบพระพุทธเจ้ทาทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นน่ะ ตอนเช้าพระองค์ก็มาฉันที่บ้านของเขาพระองค์ไม่ได้ไปเสด็จไปที่ไหนมาฉันที่บ้านอาาถาพฤติกาเศรษฐีผืนโยมอุปถากนะตอนเย็นอาาถาพฤิเขาไปกราบพระพุทธเจ้าเอาดอกไม้ของหอมน้ําปานะไปถวายพระสงฆ์นะอันนี้ก็คืออาณาถาพฤติกาเศรษฐีหรือเปล่าว่าจิตใจอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นพราะเป็นผู้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ ในวัดป่าเชิดตะวันก็นหลายร้อยหลายพันองค์บางครั้งนะทีนี้ท่านก็มีครอบครัวมีลูกสาวมีลูกชายหลายคนคนนัน่นแหะยุคสมัยเก่าฮะทีนี้ท่านก็มีลูกชายคนหนึ่งแต่ลูกสาวก็ดีก็หลายคนได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระสูดาบันก็มีทีนี้ลูกชายคนนี้เกเรกําลังหนุ่ม อายุ1 5 1ห้าสบหปีนี่ยกำลังไม่ฟังคำพ่อคำแม่น่พ่อแม่ก็ปูวัดหัวเนี่นาถามริกาเศรษฐีเนี่ยทั้งที่เป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้านะทั้งที่เทวดาจะมาเกิดด้วยเน่ยเออทำไมมันคนเกเรมาเกิดกับเร า, น, น, าเนี่นานะ่แต่ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันใชอท่านก็ดุดาว่าก้าวก่อนแล้ว เออมันก็ไม่ฟังเพราะจะอ้าปากมันกันหนีไปที่กืนะเออแต่ว่ามันชอบที่สุดก็คือเงินนะเออทางเงินเนี่ยเอาให้เทา่าไรโหไม่เหลือชอบมาก อ, อพอมันจะได้นำไปเที่ยวไปเตรใช่ไหมเออท่านเ อ, อเอาอย่างไรลูกของเราคนนี้เออพ่อแม่กับไปสู่สวรรค์เออมีแต่พระโสดาบันออพี่พน้องๆ้องกัไปเป็นผู้มีสินมีธรรมทั้งหมดแต่ไอ้นี้มันเกเรนะเราจะทำอย่างไงนะท่านก็คิด ขณะถามมติกาเศรษฐีนั่นท่านปวดหัวกับลูกของท่านนั่นเราพวกเรามีลูกหลายคนก็คงจะมีอยู่นะที่นั่งอยู่ที่นี่หลายหลายคนคงจะปวดหัวกับลูกนะอั่นี้หลวงพ่อหลงพ่อพูดวิธีการให้ฟังนะในคนในครั้งพุทธกาลเขาก็ปวดหัวเหมือนกันนะกับลูกลูกลูกชายนะแต่ที่ท่านก็เอ้ไอ้นี่มันชอบเงินในว่าวะท่านก็เลยมาเรียกมาเลยลูกลูกลูกพ่อให้ไปรักษาศีล ที่วัดป่าเชตตะวันนะเปรักษาศีลที่วัดป่าพระพุทธเจ้านะเอาพ่อจะให้รางวัลร้อยบาทนะได้ไหมลูกพ่อเด็กเขาชอบเงินอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะชอบเที่ยวก็เอาเงินไปไปใช้จ่ายใช่ไได้ครับพ่อเออเอาไปไปรักษาศีลไปพ่อจะให้ใหวันละร้อยนะแต่แกก็ขับแต่แกก็ไปแหละไปก็ไปถึงวัดกันะอย่างนี้แหละอพอไปถึงแล้วก็ สมาทานศีลเสร็จแล้วก็ไปหานอนใชนะ่ะห อ, อไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไปหานอนพอพวกนี้เช้ามาก็ออกไปแต่วัดแลวก็พอไปเถือนกับแบมือแล้วพอ่อพ อ, พอผมมาจากวัดนะครับไปรักษาศีลแล้วครั บ, รบออพอเอาเงินให้ร้อยบาทต่อมากระทามาอย่างนั้นเป็นประจําเลยนะต่อมาทีนี้พ่อเขาบอก เ, ออ เ, ออเห็นคิดมาลูกไปทับยังไงละ่ะไปวัดครับ ผมไปถึงวัดแล้วก็ไปสมาทานศีลกับหมู่พวกเพื่อนเสร็จแล้วผมก็ไปหาพักหานอนพอได้ครบวันผมรักษาศีลอุโบสถเสร็จแล้วผมก็กลับมาแล้วครับพ่อเออเอาตอนนี้ต่อไปนะให้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านท่นี้นะพระพุทธองค์จะแสดงธรรมตอนกลางคืนอ่ะตอนหัวค่ำท่านจะอบรมครว่าต์พอดึกดึกจังหน่อยดึกเที่ยงคืนดึกเดินๆขึ้นมาอ่ะท่านจะอบรมพระสงฆ์ ภิกษุณีภิกษุสัมเณาเนอที่ไปฟังธรรมเทศนาส่วนดึกนะแต่หัวค่าท่านจะสอนอุบาสกอุบาสิกานะเพราะฉะนั้นให้ลูกไปนั่งฟังพอฟังเสร็จแล้วได้จําได้คํานึ่งจําธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้คํานึ่งคำไหนก็ได้ที่เป็นคําที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็นํามาบอกพ่อพ่อจะให้อีกล้างวันอีกสอง้อยที่นี่ จะให้สองรอยบาทนะสองร้อยกระหาปณะนะโอ้เพ่จะไม่เอาได้ยังไงเพียงคําพูดคําเดียวใช่ไหมล่ะจะจากนั้นก็ไปก็ตั้งท่าใหม่เลยพอไปถึงฟังเทศพระพุทธเจานะ้าเนี่ยพอไปถ้าฟังจําได้ละคำเนีนะ่พอจําเสร็จได้แล้วก็ไปหานอนอีกเลไปกลับไปพอไปถึงที่พักละเลิกไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรว่าโอ้ไม่ได้กลับไปอีกไปนั่งฟังอีก พอไปนั่งฟังเสียแล้วจำได้ละทีนี้กลับไปกุฏิอกีกไปกลับที่ไปหาที่พักอกีกลืมอีกเลยพ่อพระพุทธเจ้าบันดาลให้ลืมนะเนี้ยพอบันดาลให้ลืมอพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้น่ะมันจะมาจํำทำคําของเราเอมันจะเอาไปเบ็ดแหลกเงินพ่อของเขาเน่ยพระพุทธเจ้าไมา่หิบไม่ให้จําทีนี้พบจบพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เนี่ อิทธิฤทธิ์เด้บรรดาให้คนไม่ให้จำก็ได้ให้จำก็ได้แต่ข่าวที่พระบรรดาไม่ให้จำกับใจกับกับสมองใหม่พอท่านกับเอาเทือบาที่เราจะนั่งฟังให้เข้าใจซะก่อนนะเพราะมันไม่เข้าใจมันมันจึงจังลืมได้นะจะนั่งกัเป็นนั่งฟังลเลยท่านเยพระพุทธองค์ก็เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาอธรรมะ อริยสัตย์พอเทศฟังเข้าไปเถชายหนุ่มคนนั้นฟังฟังฟังด้วยความตั้งใจใช่ไหมเออถ้วยด้วยความใส่ใจสนใจแต่ที่แรกเขาก็ฟังด้วยอยากจะได้เงินนั่นแหะพอต่อมาฟังธรรมเทศนาฟังมันซึ้งเข้าไปในใจทีเถอะพอซึ้งเข้าไปในใจเขาได้สําเร็จพระโสดาบันเราะพ่าได้สําเร็จพระโสดาบันโหแต่ต่ต่แต่เราเนี่โง่จริงๆ พ่อให้มาฟังธรรมเทศนาเนี่ยจุดนี้เองที่เราอืท่านเจตนาดีเหลือเกินเราจะให้เรามาฟังธรรมเทศนาบับนี้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วกันเอาจากนั้นก็ออกไปเขาเนี่ยโอ้ตายออออกไปเขาไปพักผ่อนตื่นเช้ามากัเดินตามหลังพระพระสงฆ์แัะตะกอนไปก่อนเลยตื่นมาปุ๊บปุบไปล่ะ ไปกัแบมือเลยวหมนกันพพ่อผมรักษาศีลมาแล้วนะครับพ่อแต่คราวนี่เตืนตามหลังพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เข้าไปในบ้านของตนเองพอไปถึงแล้วก็ทางผู้พ่อเอ๊ะลูกชายของเราโอ้โหนิสัยดีแลวเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่าหาดูได้ยากตามหลังพระสงฆ์มารับใช้ดูประเคนสิ่งของอีต่างหากช่วยงานช่วยการอีต่างหากโอ้ ทำไมลูกชายของเราดีถึงขนาดนี้วะเอ่อก็พยายามจะให้จะพยายามจะเข้าไปพบใกล้ๆลูกลกพ่อเตรียมไว้ให้แล้วนะเงินนะนะอยากจะพูดอย่างนั้นให้ลูกชายแต่ลูกชายก็คิดในใจโอ้วันนี้อย่าไปพ่ออย่าไปพูดเรื่องเงินต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์เลยเธอไออ้จริงๆที่นผ่านมานี่พอท่านรู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเลย เ, เดี๋ยวอายจริงๆถ้าเขาพูดต่อหน้าพระพุทธเจ้าพูดต่อหน้าพระสงค์เอเอเอาเงินลูกนะโอ้ตายหน้าอายนเนี่ยแต่ตอนนี้กพออนาถาบริกาเศรษฐีก็พยายามดูจับตาดูลูกชายอยู่ตลอดอลูกชายก็ทำการทำงานถวายน้ำถวายอะไรต่อพระสงค์ต่อนน้นก็มาใกล้ๆ อ, อนาถามติผู้เป็นพ่อก็เลยบอกว่าลูกพ่อมีเตียงไว้ให้แล้วนะ เงินที่ลูกจะที่ได้ตกลงกันไว้นะไม่หรอกพ่อครับผมไม่เอาหรอกครับผมไม่เอาหรอกครับพ่อพราะพระพองค์ได้ยินบอกว่าอนาถามิติกะเศรษฐีลูกชายของโยมน่ะเขาไม่เอาหรอกโลกียาทรัพนะเขาได้โล ก, กุตระทรัพแล้วทรัพอันประเสริฐอยู่ในใจของเขานะเขาได้เป็นพัะโสดาบันแล้วเขาไม่เอาหรอกโลกียทรัพนะอนาถามิติกะนะ นะถ า, ามวันีกะผู้เป็นพ่อได้ยินเทานั้สาธุสาธุสาธุเออดีแล้วหนอดีแล้วนอสาธุเออที่ลูกได้เป็นพระอริยะบุคคลไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าลูกของเราได้เป็นเป็นคนดีฮะผู้พ่อในี่ดีอกดีใจฮะผู้แม่ได้ยินก็คงจะดีใจเหมือนกันอันนี้เขาพูดแต่เรื่องพ่อเพราะว่าพ่อเป็นผู้เป็นผู้ดำเนินการให้ลูกไปสู่ว ไปฟังธรรมเทศนานะนี่แหละสรุปแล้ว ค, คือในครั้งพุทธการในครั้งพ่อพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาะคณะสต า, าญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นเห็นลูกหลานของเราดื้อรั้นพวกเราก็ต้องมีอุบายต้องมอีแนวสึ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเขาบางทีเขามีอุปนิสยยัยยุแต่เขาดื้อรั้นแต่ถ้าเขาดื้อรั้นมาจากสันดอนสันดานจริงๆอันนั้นก็สุดวิสัยอีกเหมือนกันนะ ไม่มันไม่สํานึกไม่ได้แต่บางคนก็มีอยู่พราะมันเป็นหนุ่มอมันก็ไม่ไม่อยากจะฟังใครนะอันนี้เราก็ต้องหาวิธีการเอาลูกไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ดูซิไปสนทนาท่านดูซิที่เราเห็นว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะเป็นเป็นผู้สอนเขาได้นะตรงพ่อแม่ก็ต้องแนะนําสั่งสอนให้ลูกหลานเข้าวัด เมื่อได้เข้าวัดแล้วลูกหลานก็ได้ฟังธรรมเทศนาได้ฟังทำคําสอนของพุทธศาสนาถ้าเขามีอุปนิสัยเก่าแก่อยู่ดึกดําบันที่เขามีสั่งสมบุญกุศลมาในอดีตนะอพอได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมตอนนั้นอนะ่ะมันก็จะกระเทือนใจของเขาเขาจะเป็นคนดีได้นะถ้าว่าพ่อแม่ไม่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก็เลยมันก็ไม่ได้นะอย่างพระ อ, องค์ุริมาลโจนเห็นไหมองค์คุริมาลโจรน ไลพพ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการตัดนิ้วมือตัดคอแล้วก็ตัดเอานิ้วมือนะพระพุทธเจ้าไ ป, ปโปรดพระพุทธเจ้าเดินไป พ, พระพุทธเจ้าสายอิทิลิศใช่ไหมละ่ะเออแต่อาณาแต่องค์องค์กุลิมาเนี่ยเดินวิ่งฮะพอวิ่งไล่พระพุทธเจ้ายดชำ น, นาญยดยดชมณาญยดเคอให้หยุดไม่ให้พระพุทธเจ้าเดินจะไปหยุดได้ยังไงใชไหตัวเองจะฆ่านะฮะ พระองค์ก็เดินไปเรื่อยๆแต่องค์ุริมานวิ่งเอจนลิ้นหน้อยเลยพระพุทธองค์บอกว่าเราหยุดแล้วองค์ุริมานเธอยังไม่หยุดองค์ุริมานก็บอกว่าสมณะโกหกหยุดได้ยังไงองค์วิ่งไปอยู่เดินไปอยู่วิ่งไปอยู่สมณะโกหกพระองค์บอกว่าองค์ุริมานเราหยุดในการเบียดเบียนยเราหยุดในการทำร้ายคน เราหยุดในการทําความชั่วแต่เธอเนี่ยยังไม่หยุดนละยนีแ่แหละเพียงคําเดียวเท่านั้นละ่ะขนาดองค์ุริมานเป็นมหาโจรแท้ๆนะพอได้ยินทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเพียงคําเดียวนะัะสะเทือนใจต่ําโอ้โห เ, ออเราได้ทําความชั่วเรายัางไม่หยุดนะแต่สมณะท่านหยุดแล้วเ อ, อพระพุทธเจานะ้าน่ยท่านหยุดแล้วท่านไม่ทําความชั่วแล้วเรายัางไม่หยุด วางดาบทั้งสองข้างเลยวางดาบเลยเ อ, ข, อ, อข้าไปกราบโอ้ท่านจำนะข้าพเจ้าหยุดแล้วเอิจากนั้นพระ อ, องค์จึงได้หยุดแล้วมาแสดงธรรมให้ฟังท่านก็ได้บวชเป็นเอหิภิกขุในขณะนั้นนี่แหละข้าถ้าว่าลูกหลานของเรามีอุปนิสัย เ, เมื่อได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ลูกหลานของเราจะกลับกลายเป็นคนดีได้เหมือนกันนะ เว้นเสียแต่ว่าเป็นสันดอนสันดานมาแต่เก่าแก่แกเลียกยังไงก็ไม่ขึ้นก็มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานพ่อแม่ทุกคนนะ่ะอันนี้หลวงพ่อพูดในวันปีใหม่นะอยากจะให้ลูกพวกเราปรับปรุงทั้งตัวพ่อทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกหลานทุกคนนะนะั่นแหละทุกคนนะที่ได้เกิดมาได้พบในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระมาหากษัตริย์อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงมีพระปีชาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอยากจะให้ประสกนนกรของพระองค์เป็นคนดีเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นคนดีและประกอบคุณงามความดีและก็พร้อมกันให้สั่งสมบุญกุศลของเราเพื่อประโลกไปภายภาคหน้าชีวิตของพวกเราเราก็รู้ก็เห็นอยู่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปไหน ที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นี่นะ่ะจะถึงหรือไม่เราก็ไม่มั่นใจเพราะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อันไหนคือดีเราประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราไม่ดีกว่าเหรอเราไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องเมื่อเราล่วงรับดับขันไปแล้วตายไปแล้วจะให้คนอื่นทําให้ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่บัดนี้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะรักษาศีลให้ทานภาวน า, าประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหละบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนะ่ะ เ, เราก็มั่นใจภูมิใจในการประกอบคุณงามความดเาีเพราะนั้นเราไม่ต้องมุ่งหวังเราไม่ต้องหวังว่าให้คนอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราเราทาให้กับเราเอง ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่น่าเลิศประเสริฐนะลูกหลานทุกคนนะต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำพระสงฆ์ทั้งหลายให้พรนะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยลาบยศจนะเสริญสุขสุขกายสุขใจและกับปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้พวกเราสมหวังสมหวังดังปรารถนา ทกประการที่พวกเราได้มารับพรในวันนี้นะและก็ให้พวกเราตั้งตนตั้งตัวใหม่ตั้งต้นใหม่สิ่งไหนที่มันไม่ดีที่ผ่านมานการอยู่ด้วยกันกับสามีภรรยาลูกเต่าเหล่าหลานทั้งหลายก็ก็ตามนะแล้วเราอยู่กับพ่อกับแม่ก็ตามหรือกับปู่ย่าตายายก็ตามสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราควรจะ อ่อนน้อมถ่อมตนดีดีที่สุดนะัลูกหลานนะเสียสละ เ, เสียสละทิฏฐิมานะของตนเองผ่อนทิฏฐิมานะของตนเองถึงท่านจะไม่ผ่อนเราผ่อนเนะพราะเรารู้แล้วเราก็เ อ, าเอ้าเราก็ไปขอคารวะท่านซะอขอโทษท่านซะาจากนี้ต่อไปผมจะไม่ทําอีกนะคุณพอ่อคุณแม่นะปู่ย่า ต, ตายายนะมิตรสหายนะเพื่อนฝูงนะท่าเราทํำอย่างนั้นได้นะดีนะัลูกหลานนะเพราะเราจะได้ ผูกเจ็บอกเจ็บใจไปกระเทานั้นไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไระถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีกว่าน ะ, ะเพราะว่าเราจะมีความสุขใจเป็นอย่างน้อยนะอแล้วก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่ในคณะของพวกเราตนะ่ อ, ตอนนไปพระสง์อนโมทนาให้พรนะทีน่นะ